บทภาชณีติกาปาจิตตีหนึร้อยหที่ทำถูกต้องภิกษุสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำถูกต้องกล่าวอย่างนี้ต้องอบัรราจิตตีกรรมที่ทำถูกต้องภิกษุไม่แน่ใจกล่าวอย่างนี้ต้องอบัปรปาจิตตีกรรมที่ทำถูกต้องภิกษุสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำไม่ถูกต้องกล่าวอย่างนี้ต้องอบัรราจิตตีทุกทุกกดภิกษุต้องการจะทำให้เสียชื่อต้องการจะทำให้อภยศ ต้องการจะทำอุปสมบทที่ทรงไม่ได้แต่งตั้งให้เป็นผู้สั่งสอนภิกษุณีให้เก้อเขินจึงกล่าวหาอย่างนี้ว่าภิกษุนั้นสั่งสอนเพราะเห็นแก่จีวรเพราะเห็นแก่บินทบาตเพราะเห็นแก่เสนาสนะเพราะเห็นแก่คีลานัจัยเพศสารบริขารเพราะเห็นแก่สักการะเพราะเห็นแก่ความเคารพเพราะเห็นแก่ความนับถือเพราะเห็นแก่การกราบไหว้เพราะเห็นแก่การบูชาต้องอบัติทุกกรธภิกษุต้องการจะทำให้เสียชื่อ ต้องการจะทําให้อภัยยศต้องการจะทําให้อนุปัสมบันิที่สงแต่งตั้งหรือไม่ได้แต่งตั้งให้เป็นผู้สั่งสอนภิกษุณีให้เกิดเขินจึงกล่าวหาอย่างนี้ว่าอนุปัสมบันนั้นสั่งสอนเพราะเห็นแก่จีวรเพราะเห็นแก่บินทบาทเพราะเห็นแก่เสนาสนะเพราะเห็นแก่ขีฬานปัจจัยเพศสัตบริขารเพราะเห็นแก่สักการะเพราะเห็นแก่ความเคารพเพราะเห็นแก่ความนับถือเพราะเห็นแก่การกราบไหว้ เราเห็นแก่การบูชาต้องอบัตทุกกฎติกะทุกกฎกรรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำถูกต้องกล่าวอย่างนี้ต้องอบัตทุกกฎกรรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุไม่แน่ใจกล่าวอย่างนี้ต้องอบัตทุกกฎกรรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำไม่ถูกต้องกล่าวอย่างนี้ต้องอบัตทุกฎ